หาเรทีท re really re really ุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับเราที่เป็นเรืทภาพเลมต้องเป็นเรื่องสาคัญเลาจะต้องมองต้องนไม่นั่งเก็บความอาลเป็นอาชีขอาการทำไม่ีกหมารเป็นใครก็มาชี้ตัวเป็นใครก็ไนี่ได้แรงมากทพุทธตขอเรา ห้เิความเหนื่อก็ของเราเองเป็นหลักใหญ่มาคุ้มเงินเป็นันเป็นมันวันก็เป็นคุมงนของเราเองเป็นทไ่ผู้อเรื่องเราขอเหน้ทเรามีตลาดคามความของโลกนีงง้โยมที่เป็นอิสระ ตามโลกนิยมแต่ก็มีสิง่งบังคับทางนาติไใยให้เราต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนี่ในสิ่งที่ไม่ควรคิดพูดในสิ่ที่ไม่ควรพูด ถ, ถึงเกิดถึงกลับความเดีอดรกอนเดียดนอันนี้ทางเขาจะไศาสนาถ้านไื่ที่วัที่เลยคือค่ะมมี ภัยมากน้อยตามส่วนของมันที่ม <com> ีอยู <ESE> ่และแสดงออกหรือกรบดันให้เราคูดทำในสิ่งที่เป็นความเรื่องของจิตเรือนนจะพางจะไม่พราคนที่พูดทำมีเลยเพรดังนั้นการปฏิบัติธรรมะงเป็นการฝึกเหล่านี้คำว่าฝึกกับปุนความลำาถ้าไม่ถึกก็ไม่ให้ลำบาง แต่จะต้องเป็นไปตามสุขส ah ุน ah ังด ah ้านการสมมติถ้าเกิดความสามารถในพลางมันมีผูใจะมความเรลียวฉลาดสามารถบลุคามสุดตนเอและฟืมเหน่อยยุ่งผ่านคำพูดขัดจั่บ้าในโลก ครัะคนส า, ามาัญธรรมดาทั่วไปแม้จกมีความคิดการพูดการทำเป็นภัยประวเองวันนัค้คำเขาไม่ทราบวา่าสิ้เที่แอบเกิดยนัันคืออะไรแม้จะแก้ด้นนวยวิธีใดมีคำพูดใ้ทราบหรือไเป็นผู้ทราบมาก่อนในไทยั้องรู้เนื่รู้ผลของมันนั้นเอ้ ตลอดวิธการแก้ไขดับแปลงหรือขอดถอนสิล่านั้นที่เป็นไครกับตัวเให้ออกไปได้โดวยวิธีที่สลับเลืง้งข่มคำจชื่ว่าสังพันพวกเราถู บ, บัตร์ย้อนแยะแต่เพราว่ามีความสลับล้ยงขมและได้ขนเป็นที่ ข, ข, ขือครอข้าไทยมาแล้วทั้งชุดคือเขาองไม่ตรงคนต่อ ทุกสิ่งทุกอย่างกับเข้ามาเลยน่าตังน้ำนั้นนำมาสสมปัน่นให้ได้นลประยชเป็นลำดับต่างทำจึงไม่มีอะไรที่จะเล่ิงเท่าทำของแบบพุทธศาสนาพระใจยบริสุท์ให้มีสีเป็นคือเกลือกเมื่งกเราทั้งหลายตึ่งเติมไปเรื่อยี คเราอยากเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีมีความสุขมีความร่วมีความสุขฐานปฏิบัตินักศึกษาจิตใจใจรัก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 ข้อสูงมีพลันใจของขัดทระทั่วใจไ ท, ที่อยู่สูงถึงอาชีพยากสำหรักสามัญชนหลังที่เดือดวาลงมาเยียดย่ำทำลายให้หายทชาไปจากใจนั้นเป็นสิ่งที่ต้องถึงอย่างมากมามันกระพุทธเจ้าและสาวิถันเคยถือมาแล้ว และเป็นผู้เหยียบย่ำทาลายปีต่างๆทั้งหลายเห น, นี้ให้แหลกแต่กระจายพระจัดกระจายพร้อมังความผู้พูดข้องมันแลวประกาศก้อนทางวัในโลกทั้งสามปีเวลาเลาสองพันห้าร้อกว่าปีเกิดมาแล้วเฉราะผุ้ประกาศศาสนาของสระพุทธองค์แล้พระพุทธเจ้ตรงพนามวาทพระคดยิขะสมณค เราตั้งหล้ า, ลายัางเห็นสิ่งเหล่านี้ดีงามดีประกายสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่บนที่อตากคือใจั้งเราจากํารมะมีความยุ่งม า, า, าจากบนบาน่าใจต้องกดต้องขวให้นับความลาบากันบุญนลทความนับความทงความาาโกรความเกลียดสึงเหล่นี้มีแต่เครื่องกระเพื่อมขย่อยจิตใจ ให้คือดปกติให้เฉพาะความสมุนไวยิ่งเสมอกายของสามัญเราธรรมดาจึงไม่มีเวลาเป็นปกติสุดละก็ถูกก่ อ, อควรให้เกิดความกระเพื่อมสมุมไมนไวยิ่งเสมอไม่เหมืนจิตใจของข้อทิ่นาสุกเราที่ซึ่งจับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นไปแล้วโดวยสิ้น ท่านที่เราเหล่านี้เป็นท่านที่สมบูรณ์เป็นที่ทางน้ำก็เอเวอรไซดสะอาดเป็นที่ไม่มีตะกรอยหยดน้นิดนึ่งผาิใช้ต้อยไม่ต้องใสง่ต้องกรองทอดเป็นธรรมชาติที่สํบเร็จเลยสมบูมณ์เลยเพื่อนจิตใจทั้งพวกเราทั้งหลายที่เป็นไปด้วรกลมือง ต้องในซักพอ่อจะต้องใน ส, สังครองด้วยสานพ่อคือความทันเรียกว่ารกรรมธรรมทเพืเขาที่ทั้งหลายด้วยความเทียโดยูส่สติปัญญาเป็นเครื่องกัณฑ์มีความเสียรเป็นเค่ื่องหนุนนำให้ทอทถอนผู้ใดจะเป็นจิกระชากคน่างพยายามาากำจัดความราะหขอฝนเอง ออกสัดใสเพาความท้อแท้อานนี้เป็นผักหนึ่งของผิตหรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของผลิตที่นํามาฆ่าอย่างแต่งหน้าออกความารรับเข้ามากๆความละเอียดอ่อนในกรองมีล้วนแล้วแต่ความโมง่ความมากๆท้านเห็นว่าสิ่งนี้เป็นไทยเป็นมันหนึงหน่งนการปฏิบัติตัวเองจะเป็นคนจริงจัง แต่เป็นคนมีืผลจะเป็นคนชอบไข้คืวรในเลื อ, อกต่างๆแล้วเกิดอุบายที่เกขึ้นมาเรื่อยๆมาทั้นอนเข้านั่งเข้าร่างก า, ายหรือที่เดความสลับหรือไม่สลับถ้าไม่เป็นนักที่นักอ่านใจตความสลับไม่มีแท้ที่เกิดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดของคุณ อันสมาีิความสงบนั้นเพียงที่เหยีดหมอบ็นไปชั่วระยการเทนั้นแต่จะขอของด้วยกับญาทั้งคุณไม่ว่าที่เกระเพืหมอบที่ว่าเทศ่พุงโคกระเพื่ออะไรก็ตามทั้งส่วนอยาส่วนกลางส่วนเดีก็นนีปัญญาไปในโพธิ์โคนาฟังให้ถึงใจมีไปเคยปฏิบัติมามักใช้ออกหัวออเครืงได้เห็นโทษเห็นคุณของที่เหลีด ได้เห็นโชของเฉลยได้เห็นคุณของกติปัญญามาอย่างเป็นจัดไม่มีที่ตกรองสติสติปัญญาว่าทาการอะไรๆไม่เกิดประโยชน์มี้ต่เสียประโยชนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกติปัญญาที่เหลมคมทีส่สามารถว่าความเฉลยประเภทแนลละเอียบสิให้ประเด็นบางอย่างได้แล้ว เพราะหน้าของกสิปัญญาเป็น ส, สังข์หลักสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะที่เป็นองค์สังฆนี้คือหลักใหญ่ของมางหากาลเราไม่ไประสงค์อยากจะเห็นพระมูลของเรามุ่งมัมงมง่มากโดยมาใช้คิดท้ายความคิดอ่านใจจ อ, องใทําอะไรก็หลักใจมีเลีงเห ย, ายามากเพราะ ความหนักใจอันนี้เราหนักใจเรื่องของที่เดดไพร์ น, นั้นมาจะขอบถอนได้ด้วยวิธีใดเมื่อปิปัญญาไม่มีแสดงความแยกไพร์ออกมาอีกบ้า ง, างาหนึ่งมีเอตความใก็อย่นี้จริงกองย่ำเสมอนนั่งอยู่ให้ใครควรดืนมอยู่ให้ใครดื่เราเราไม่สามารถอาถรรที่ใครควนต้ออื่นใครควรเรื่องที่มีอยู่กับตัวอวัยวะร่างกายทั้งหลาย ผมผลลัพธ์หนังเนื้ออื่นก็ิบในอวัยวะทั้งหมดทั้งภายนอกภายในขี้ผายออกมาแยกแยะออกมาดูสภาพของมันให้เห็นตามตัวเองจะจินในทางอรุภะจะจินในความกิงของมันก็ต่ามตามธรรมชาติของภาพตุนี้น้ำมันไฟการให้กิงด้วยปัญญาเราจะเห็นความถองจิตที่เป็นตัวประทานนั้นออกมาจากสิ่งไหนโดยเบพาะเมื่อปัญญา ตึมภาพไปถึงไหนถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วลํำบากที่จะทําจิดให้หายตองวนจากสิ่นทั้งหลายเหล่านี้ได้นอกจากมีความตังวลจึดถือในสิ่งนี้แล้วตึมภาณน่าก็ยังเป็นภาระที่จะต้องยึดถือแบบถามไปเรื่อยๆตึดจุดดุกจุดเสียงจิดสิ่งจุดเลิศเครื่องทั้งหมต่างๆเพราะความปิดอาัยวะของตัวเองเป็นหลักอย่าง เวลาทุกุ์มากเพราะที่ดื่เสียดย่ำทาลายนั่นเองไม่ใช่ทุกเพราะทุกข์มากเพราะการสูงที่เหลือจะเอาชนะที่เหลืก็ทุกมากนะัแต่ทุกเพื่อสุขทุกข์ไม่ใชทุกเพื่อทุกที่ไม่ใช่ทุกเพิ่ทุกหรือทุกเพื่อเพิ่มทุกแต่เป็นทุกเพื่อจะถอนทุกออกได้เลย ไม่ว่าสมาธิหรือไม่ว่าปัญญาการเหมาะสมเวลาใดให้ทําหน้าที่นั้นไม่ต้องคิดว่าสมาธิกจะมาก่นปัญญาจะมาทียลัยงหรือปัญญาจะมาก่อสมาธิมาทีหลังทั้งสองอย่างนี้เป็นเครื่องจักริดตงเดียวการกําหนดพิจารณาทางสมาธิโดยทางปัญญาก็ต่างการกําหนดภาวนาทางสมาธิก็ต่างก็คือการบํารุงการส่งเสริมจิตใจเป็อเดียวดาย ในนอกเหนอไปจากสิ่ตรงนี้ที่มี่งที่เด็กเป็นในตัวเด็กการทําูุแบบทุกบางทุกอย่างก็เพื่อจะสร้งข้อครองเราที่เด็กครองเราจิตใจทั้งกลุ่มให้มีความสงบจากที่เด็กและปราศจากที่เด็บ้าไเดินแบบด้วยด้วยวิธีการในวิธีการเช่นสมาธิหรือปัญญาแต่เราชอบคูดคูดชอบคิดชอบฟังเราไม่ชอบคุณนั่งก็ว่ามีทเด็ แม้กาหนดรวมหายใจยของหรือบริกรรมต่างๆก็เผลอไปเผลอไปไม่ติดเนื้อติดต่อเป็นําดับพอจะเป็นองค์สมาธิของความสงบขึ้นมาบ้างถ้าจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้จิตมีการสืดเนื้อมีสติติดต่อกับอารมณ์แห่งคำที่ต น, นําำนึงนั้นหรือกําหนดขณะภานสติ ก็ขอให้ยูในเครื่องหลบที่ผ่านตเอโดยติดต่อเ น, นื่องันจะเป็นลำดัความสงบจะไม่ไปไหนเมื่อความรู้มาจัดจ่อยอยู่ในที่แห่งเดียวแบบนี้จะเป็นความสงบขึ้นมาให้ยูทั้งทั้งที่เราไม่เคยรู้ก็จะรู้ไม่เคยเก็จะรู้เพราะธรรมของจริมีอยู่กับติมนี้ไม่มีอยู่ในที่สิ่งอ่นคือความเคยรู้ได้ ความันก็ติดนี่และจะตัวนเครื่องขวัดต้อนทำทั้งหลายเข้ามาติดใจเครื่องขวัดขวาดต้อนความโลกเข้ามาติดใจเครื่องขวัดต้อนปัญญาให้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีกําลังสามารถทำรักที่มีกระด้าเป็นทันทังเริ่มสารทะรู้ปุกโร่งกัหมดแล้วอยากคิดถึงเรื่องอดีต อนาคตจนลืมขัดจะทำซึ่งเป็นเกือนแห่งนักผลนิพานอันมีอยู่ตัวของเราเราไม่ต้องไปขาดการสถานที่าการนั้นสมัยนั้นท่านบรรลุมรรคนิพานการนี้ส ม, ยมัยนี้ไม่มีผู้บรรลุมรรคมิพานนี่เป็นความเข้าใจผิดร้อนเกิดสถานที่ที่ท่านบรรลุนั้น เป็นสถานที่ของผู้มีความเพียรกลมคืนแต่กับปัธรรมต่างหากผู้มีความเพียรกลมคืนแต่กับปัจธรรมจับดูสถานที่ใดสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ทัพยิทธิ์เขู่นั้นเป็นผู้ทักยสิด้วยอดด้วยธรรมด้วยข้อวัตรปิบัติไม่ใช่สถานที่จะเป็นผู้เป็นธรรมชาติทรัพย์สิทธ์เกิดขันบุคคล น, นั้นให้บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่เป็นเรื่องอำนาจของมัทธิวครอบอธิบัติต่งางหางที่เกิดการคุณ น, นั้นแห่งบรรลุพระบุิญานไม่ว่าสมัยโน้นกับหรือสมัยนี้สมัยใดๆครอบงกั น, กนถ้าการจะทำยังคงคื่นอยู่กับใจเติมสม่ำเสมอแล้วนั่นแหละจะเป็นสฐานที่เกิดของพรุบุญญาผู้นั้นนหละเป็นผู้จะทรงมัทธิวบุญญได้ในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อความสามารถเมื่อการบรรลุมีอย่างพอแล้ ด้วยวิธีที่ถูกต้องนั้นจึงไม่สาคัญในเรื่องสถานที่การตั้งสำคัญอยู่ที่ศัตรูรมที่ระพุ่งไปก้วกระทำไม่ได้กระทำไม่ว่าแบบไหนหลักันเราจะไม่แยกตัวอย่างใดที่จะมีคามหลักตัวว่าทำสำเร็จหรืไม่เราะขนานีขนานี้ก็เป็นองค์กรสำหรับกรสถานที่นีก็เป็นองค์กรสำหรับเรา อิยญญาบทนี้ก็เป็นมงคสำหรับเราขนานี้ก็เป็นมงคลสำหับเราท่ากั้งถืาเถลอจะเป็นถ้ามันมีความเสี่งยงไม่ว่ากระานทีกาลเวลาและอิยาบทกล่าวประโยคมาไม่ว่าสมัยนู้นสมัยไ ม, ม, ม่ยองหยุดแต่ไม่ยอม่าดยังเป็นหลักเสมอ่เป็นเครื่องยิงกันถัด ม, มาถิงฐานะมากเท่าไห เรากระอักแล้วแล้วาแล้วมาจ้มานกาที่จิตใจแ้วาที่จิตใที่จเาเพ่อเพื่อที่มาไ่ีะรที่ักยามาไม่มีอะรที่หลงยามมาเร่ะไรเรื่องยามมาเรื่อาเรื่องยามมาเรื่องยามมาเรี่ามมาเร่ยาเร่ยามมาเร่าเรื่องยามมาเรื่อนยามมาเรื่องยามเร่าเร่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า แต่เรอาาเปต้นมาเงินนที่ต้อมาการซมานกาลงทุนภกัยเราะว่าสูมาตรานใกรทำที่จะทลิดไม่ประโน์เพาับ่านชื่ออนามัยจัดาแะิลม่ใช่ผลลิตทางไม่ใช่ดำเนินการหลัก การดำเนินการหลักทำต้องดำเนินเรือผ่านเียกสิิตสองนทางั้มียา เ, เพื่อดำเ น, นินนีกิิเป็นมีความเปี่ยนเปนเ้าหนุเจ้าเหมืให้ข้อถอยไว้มีกนรดำเดินทั้งครังพระพุทธเจ้าและสมัยปัจจุบันตลอดอดีตที่จะเปนไปข้างหน้าก็ต้องดาเนะินแบบถ้าผิดจากนื้อใครจะอยู่ที่ไหนกปนะ็งไม่เปิดประตู มีหลักรับรองเรื่องรับผลนิพพานมีอยู่ที่ความเกียยวแม่เรียนใดบกต้องไว้แล้วบกกล้องสภาพกําลังของเราที่ยังไม่สามารถผ่านเื้องเท่านั้นเองมาผลนิพพานที่แม่กากุแต่เรของเราอยากเต็มที่จากทั้งกิจารณาที่แม่กาปุกมาแล้วขอให้พากันทําความเข้าใจก่อนยิ่งกว่าจะไปคาดโ น, น้นคาดนี้ตามที่ตามสถานตามเรื่อมีหลัก วันหนึ่งจะพิจารณาเรื่องร่างกายกีรอบกี่ครั้งกี่ครั้งพิจารณาลงไปทาให้แลกระจายไปหมดตร้างขึ้นมากาหนดทำลายลงไปขามันเห็นขั้แใจกี่ร้อยครั้งก็ตามไไม่เป็นการลาสมัยไม่เป็นการปืนไส่จนกว่าจิตของเรามันเหนื่อยมันจะพักมันก็พักได้สบายถ้าจิตทำงาน ด้วยกายศาก า, กาสติแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อจะพักเป็นความสงบเยินใจไม่ใช่เหนื่อยเหมือนอย่างทำงานที่อ่านทั้งหลายนั้นแล้วทําความโดยร้อนแต่ตื่งนองอย่างนั้นหยุค่าเห็นคับในสิ่งทั้งหลายแล้วกลับกลับตัวเข้ามาสู่ความสงบไม่วุ่นวายกับอารมณ์นในดๆมีอำนาจของกำลังถ้ากลับนับก้อนจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ และให้สู่ความจริงได้้าติปัญญาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่เราจะมองข้ามไปข้ามไป น, นั่งภาหนาก็ไม่เรื่องอะไรเล็กอะไรเขาไม่มีมสุกสิเรียนทมคือเรียนดูหัวใจของตัวเอมันคิดเรื่องอะไรบ้างดูคิดถูกหรคิดผิด ทำแท้อยู่ที่ใจความผิดความผูกอยู่ที่ใจเยี่ยมตรงนี้จบแล้วไม่สงสัยโลกไหนๆทั้งนั้นพอเข้าใจเรื่องจิตโดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันว่าเข้าใจโลกโดยสมบูรณ์ไม่บูรพเสริมกับสิ่งใดๆทั้งหมดบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นความพอตัไม่มีการไม่มีสถานที่มีล่ำเวลาเข้ามาเกีว ไม่มีอันจีนพนาโทษที่เข้ามาคอกครองความาให้เกิดอรอะว่าไปาระถานที่นั้นกี่คนกันต่างกันไปกันเลยคือจะเกเป็นอะไรอะไรบ้างอะครคบกันนาไม่หมุ่นทำงานเพราะทราบกับยตัวเีงแล้วว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีทางสงสัถทั้งอันเดียนารทษ เร่องกำเนิดเกิดขันข้นนางในไม่สงสัยความถูกความผิดที่เป็นมาข้างหน้าทีานำผลนั้นเป็นมาอยางไม่สงสัยข้อปัจจุบันมีมขบวนเส อ, อันนี้จะนำผลไม่มีอะไรที่จะแทรกเข้ามาในจิตขบวเสดได้แล้วกันั่นงการปฏิบัติเป็นอย่างนี้จะพิจารณาข้างนอกก็หน้ร่างกายมีทั้งข้างนอกข้างในอรูปพระมา ท่าทั้งนอกทั้งหนถ้าโมทัยมีได้ท่านทั้งหนอกทั้งในท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าชาวก็เพื่อชาติจะดูสภาพนั้นเทียบเทียบเพียงกับสภาพที่ตนชาติผีดิบผีสุกผีตายเก่าตายใหม่ก็คือเรื่องความตายเป็นการจะทำด้วยกันอยู่ข้างในร่างกายของเรานี้จะเป็นตัวกัปปะที่น้าเห็นเรื่องชาติสุภาษิตตกที่มีอยู่ภายในตัวของเรานี้ก็ไม่ทาบจะพบอะไรบ้างปกเต็กตกไร่ตกอู้ สี่ประเภทเป็มถึี่หมดฝังอย่างนี้แหละหายใจกันคู่ันทุกปั น, นและตัวของเราเป็นชาติตกันแล้วบรรจุชาติตกทั้งหลายเอาไว้วมีความสวยงามีความสะอาดที่นรงถ้าดูตามหลักคันชิงที่มีอย่แลน้เราต้องสงสัยไม่ว่าร่างกบนที่ทายดูใอ้หมดเ่องหนักของตันใหญแทงทะลุไปหมดแล้วขายสมงหรด ารสงบเองที่ไม่สงบกับความวุ่นวายกับสิ่งหล่ น, นี้มาเอาแก่งเอาว่านั้นจะเป็นครับนี่เป็นเครื่องไม่ตรงกับความดและนั่นแหละความจอมปอมที่คิดขึ้นมานั่นแหละเป็นเครื่องหลอกลวงจกจิตใจให้เดือดร้องมุ่นวายไม่ใช่อะไรมาเกาะตัว ง, งเราเองเกอะตวรนะ ให้รู้ตลอดทั่วถึงในใจนเรียนทำไปเรียนตัวเองดูเรื่องของตัวเองให้ผ่านเกลียวไหนมาไหนให้มีสติสตางค์อยู่กับความเปลี่ยนมีสติอิสเสมอํำปรับคำยะเป็นความยกติอยู่ภายในตัวเสมอก็คือว่าไม่ผานความเปลี่ยน ดูในสิที่เป็นพิจรณาสมัยปัญญาพิจารณาแค่ส่วนดูภายนอกภายในเรื่องสูงบางต่เนือข้างบนข้างล่างด้านขวางกับถางกลางดูทั้งข้างหนอด้านในมันไม่มีอะไรผิดกลนเหมือนเหมือนกันหมดถ้าดูละเอยียดถี่้วนแล้วมันก็หา ย, งงยสงบจิตใจก็สงบร่มเย็นสมาลัยสมาแล้วอยู่ที่ไหนก็สมานะ คนมาก็มุ่นว่าอาที่นั่นหลักประยชหาที่นี่หลักสัาเข้าใจสมาอยู่ได้ดีขนาว่าสาถ้าใจร้อนแล้วอยู่นะอมันก็หล่อขาดี่นั่นก็ดีที่นี่จะระดวกสบาครรับปขเขาเด็กเ้ามือเขาเด็กับติมันหลอกไปตัวหลอกไม่ใชของของดีหลอกให้รั บ, รบววความสุขอย่างเร่งการดูประกอบความภาคความเทียน อย่าวุ่นกันอย่ายุ่งกันอย่าเที่ยวคุยกันอยู่คนเดียวนั่นะมันสนุกดูตัวเองพิจารณาตัวเองมันรู้เรื่อง้วลาควานปัญญาอคุยาปให้ทุตคนท่นทุกคน